ที่จริงการาน้ำพูดไปด้วยความโลภหวังดื่มน้ำในมหาสมุทรแต่ผูด้เดียวจึงแซงกล่าวให้ผู้อื่นประหยัดเอาไว้คือใจจริงจริงเนี่ยที่บอกกับคนอื่นเนี่ยบอกดีแต่จริงจริงแล้วกิเลส ข, ของตัวเองอะ่ะอยากจะครองมหาสมุทรไ้ซะเองเอาไว้ใช้เอาไว้ไวดื่มกินซะเอง น, นแล้วก็เที่ยวพูดดีๆกับคนอื่นเขา ระวังนะไอ้ตรงเนี้ยอาตอมาขอบอกไว้ว่ามีหลายครั้งหลายหนบางทีแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมักจะเผลอเรื่อยๆนะบอกคนอื่นเขาโอ้โหนี่ก่อนขึ้นไปเนี่ยล้างเท้าให้เรียบร้อยถอดรองเท้าก่อนสิอา่าหรือว่าเอา้าเสื้อผ้านี่ก็ซักอย่างงี้สิตากอย่างนี้สิก็ของเครื่องใช้อันนี้ใช้แล้วเก็บอย่างนี้สิแต่พอตัวเองบางทีไม่ทําอ่ะ ไม่ทําเนี่ยให้คนอื่นก็ทําเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเผลอเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นทุกทีทั้งๆ ท, ที่บางทีเนี่ยเป็นคนที่พูดเองบอกเขาเองซึ่งอย่างนี้อาตมาบอกแล้วว่าเวลาคนอื่นที่เราสอนเราบอกไปหรือเราพูดไปเนี่ยเขาเห็นเมื่อไหร่นี่เขาไม่เชื่อเราอีกต่อไปเลยไม่ว่าคราวนี้เราจะพูดอะไรไปก็ตามเขาจะไม่เชื่อเลยว่าคนนี้นี่ไม่จริง เนี่ยถ้าเป็นสำนวนเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าตอนแหลเก่งตอนแหลกเก่งไม่จริงอะ่ะเขาพูดในดนู่นพูดไอ้นี่ดูที่ตัวเองทำํำซะเองแล้วไม่เพียงแต่เขาไม่เชื่อนะเขาจะดูหมิน่นแล้วเขาก็จะแบบว่าอะไรอะ่ะไม่อยากเจอไม่อยากพบเห็นไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากฟังอะไรเลยด้วยซ้ําไปซึ่งถึงบอกว่ายิ่งถ้าเป็นนักบวช นะซึ่งเหมือนกับปฏิ ญ, ญาณตนกับคนทั้งหลายแล้วคือคนทั้งหลายก็รู้ว่าถ้ามาบวชเนี่ยหรือมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมจะศีลห้าจะศีลแปดจะศีลสิบหรือจะศีลถึงพระก็ตามมันก็เหมือนกับให้ชาวบ้านรับรู้ไว้แล้วว่าเออเรามาทําอย่างนี้เพื่อปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วชาวบ้านเขาก็รับรองแล้วเพราะฉะนั้น ถือบาไปบินเบาท เ, ออเขาก็ใส่บาตให้อืมหรือแม่บางที่บางแห่งโอ้โหไม่ต้องไปบินเบาทเลยนะเขามาถวายถึงที่เลยถึงวัดเลยหรือถึงที่พักอาศัยเลยเขาศรัทธาถึงขนาดนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ปฏิบัติไม่ถือศีลไม่สามารถทำดีอย่างนั้นได้จริงโอ้คราวนี้แหละแย่เลยแต่ว่าถ้าเรารู้ตัว แล้วเราก็รีบปรับรีบปรับนะแก้ไขแล้วทาให้มันได้อย่างที่คนอื่นเขาเนี่ยเหมือนกับสัญญาตรงกันกันกบเราว่าเออถ้าเป็นอย่างงี้แล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเขาเห็นเออพฤติกรรมการปฏิบัติเราไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังเราก็ทําได้อย่างงี้อย่างนี้น เ, ขเขารบับเข้าศรัทธาต่อให้เป็นฆราวาสก็ตามเขาก็ศรัทธา เพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงนักบวชเลยยิ่งนักบวชถ้าปฏิบัติได้โอ้โหเขายิ่งศรัทธาใหญ่เลยนะความเป็นนักบวชหมายถึงว่าศีลสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองอัตอนนี้นะีกกาตัวนี้ก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วขี้โลภนะหวังได้มหาสมุดแต่พูดเดียวฝ่ายสมุดเทวดาเห็นกานะมีพฤติกรรมเช่นนั้นจึงปรากฏกายนะเห็นลเอกกาตัวนี้นี่ ไม่เข้อท่าไม่ข้อทีเลยน้าก็เลยอะไรอ่ะปลากฏกายมาพบกับก า, าน้ำเนี่ยแล้วก็ถามไถ่ว่าใครหนอเที่ยวบินวนเวียนอยู่ในน้ําอันเค็มเที่ยวห้ามฝูงนกและฝูงปลาทั้งหลายจนต้องเดือดร้อนอยู่ท่ามกลางคลื่นในมหาสมุทรนี้คือแมาเห็นบินเที่ยวบอกคนนั้นคนนี้เนี่ยดูวุ่นวายไปหมดอ่ะน้นก็เลยถามดูกาณน้ํ า, นานถูกถามเช่นนั้นจึงตอบไปว่า ข้าพเจ้าเป็นกาน้ําชื่อว่าอันันตาปายีมีชื่อซะด้วยนะกาโทนนี้มีชื่อว่าอันันตาปาหยีอันันตาก็คือโอ้โหอันัน่ะอันันแปลว่าอะไรอันันคำว่าอันันโอ้โหมากมายแทบไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆชื่ออันันตาปายีเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าผู้ไม่อิ่มในการดื่ม ผู้ไม่อิ่มในการดืม่มคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะเพราะนั้นเนี่ยกาก็บอกชื่อตัวเองนะอนันต์าบายีก็เหมือนกับบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ ย, น เ, นยเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหรอกในการจะดื่มน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ํามหาสมุทรนี่มันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอสําหรับฉันหรอกนะอนันต์ตาายีที่ใครๆทั่วทุกทิศก็รู้ว่า เป็นผู้ไม่อิ่มไม่พอในการดื่มกินข้าพเจ้าปรารถนาจะดื่มน้ำในมหาสมุทรใ่นี้ให้หมดสิ้นไปก็พูดตามตรงไม่อ้อมค้อมนะ ก, ก็ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะนั้นมหาสมุทรเนี่ยของฉันนะฉันอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะกนนดื่มคนเดียวให้หมดแหละสมุทรเทวดาได้ฟังคำตอบแล้วก็ใส่หน้า ในความโลภโมโทสันอยากได้มากของกาน้ำจึงนึกสมเพชแล้วก็เตือนสติให้รู้ตัวว่านะเตือนสติกาเนี่ยนะบอกว่าบางคราวมหาสมุทรก็พร่องลดลงเองบ้างบางคราวก็เต็มเปี่ยมฝั่งบ้างแต่ถึงกันนั้นแม้ใครๆจะดื่มน้าในมหาสมุทรมากสักปานใดมหาสมุทรก็ไม่มี มหาสมุทรก็ไม่ได้พร่องลงเพราะมหาสมุทรนี้ใครๆก็ไม่อาจจะดื่มกินให้หมดสิ้นไปได้เลยนะก็บอกให้กาตัวนี้ฟังว่าโถ่เอ้ยพูดง่ายๆจะหวงไปหาสวรรค์วิมานอะไรเนี่ยถึงใครต่อให้ใครมาให้หมดเลยมาดื่มน้าในมหาสมุทรเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายอะ่ะที่อยู่ในมหาสมุทรอยู่ในทะเลมาดื่มยังไงก็ตามมหาสมุทรไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะเหลือเกิน น้ำนาในมหาสมุทรเนี่ยไม่มีทางหมดหรอกกล่าวจบแล้วสมุทรเทวดาก็แสดงอาการอันน่าสะพึงกลัวขับไล่กาน้ําให้หนีไปเสียคือพูดง่ายๆว่าว่ากาตัวนี้นี่มันบ้าเหลือเกินผูดง่ายบ้าเหลือเกินโมหามันหลงเหลือเกินโอ้ใครจะไปกินใครจะไปดื่มมหาสมุทรนี้หมดได้เสร็จแล้วผู้เจ้าทาั้งกระตัดว่าพระาศาสดา นะทรงเฉลยว่าการน้ำในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุอุปนันทะในบัดนี้ส่วนสมุดเทวดาก็คือเราตถาคตเองพรนะพุทธเจ้าท่านก็เฉลยตอนจบแต่อันนี้เนี่ยที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยนะเรื่องของการน้ำนะชื่ออะไรนะอนันตะ บ, บายีนะผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการดื่มเนี่ยท่านก็เปรียบ ให้ฟังกับภิกษุอุปนันทะคนเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆว่ามันจะไปติดใจอะไรหรือว่ามันอยากได้อะไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็อยากได้ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก, ก, ก็จะเป็นคนขี้โลบไม่ใช่อยู่ดีๆก็แหมไอ้นี่มีม า, มามากเท่าไหร่นะเงินทองมีมาม า, มากเท่าไหรกออ่ก็เอาอีกเอาอีกหรือว่า มีบ้านมีที่ดินอะไรมากเท่าไหรออก็เอาอีกเอาอีกมันไม่อิ่มมันไม่พอหรือว่าแม้แต่เรื่องเรื่องกามแม้แต่เรื่องกินแม้แต่เรื่องนอนยกตัวอย่างสามอย่างง่ายๆมันไม่มีอิ่มไม่มีพอพระเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องกามก็ตามใครยิ่งไปยุ่งกับเรื่องการ ม, มากก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ จะไม่มีวันพอหมายถึงว่าหยุดไม่ได้จะหยุดตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้จักกินอะไรแล้วอิ่มรู้จักอะไรแล้วพอต้องหยุดให้ได้ต้องหยุดตัวเองให้ได้สมมุติถ้าเรื่องการผู้ชายผู้หญิงอ่าแล้วเราจะไปรักใครเราจะไปชอบใครอา้าวถ้าคุณก็เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเสียง เดี๋ยวก็ได้คุยด้วยอ่าเดี๋ยได้ไกลคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆไม่มีอิ่มไม่มีพอความอยากมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้าจะรู้จักอิ่มรู้จักพอในเรื่องนั้นๆ น, น, นะก็ต้องหัดหยุดหัดห้ามตัวเองหรือจะเรื่องกินก็ตามอ่าจะเรื่องกินก็ตาม คุณกินไปเหอะคุณว่าคุณอิ่มแล้วใช่ไหมคุณว่าสมมตินะบางคนนะกินจนกระทั่งโอ้โหท้องตึงไปหมดแล้วจนกระทั่งพูดง่ายว่ายัดอีกยัดลงไปในปากยัดลงไปในคออีกมันก็ไม่ลงแล้วละยังไงมันก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ใจจริงๆริงมันยั ง, ยงไงถ้าถ้าพูดใจเนี่ยใจเป็นไงใจใจอยากหยุดหรื อ, อยังใจของคนนั้นอนะจริงจริงแต่ใจมันยังไม่อยากหยุดนะ ถ้ากระเพาะมันขยายได้อีกนะนะมันขยายได้อีกมากกว่านั้นมันก็จะเอาลงไปอีกอะ่ะมันไม่พอหรอกแต่อัที่จาเป็นต้องหยุดเพราะอะไรเพราะขืนมากกว่านั้นท้องแตกเป็นชูชกท้องแตกตายแน่มันเลยต้องหยุดหยุดเพราะว่ายังไม่อยากตายเพราะถ้าตายแล้วอดกินถ้ายังไม่ตายฉันยังจะได้กินใช่ไหมเพราะมันก็กลัวตายมันก็เลย เออโหสุดเต็มที่แล้วหรือบางคนนะพอเต็มที่นะไปเขย่าเขย่าขย่าไปก็โดก็โดยก็โดยหรือไม่ก็ไวิ่งตึกๆๆกตึกึกก็แทกกระแทกกระแทกหน่อยให้มันลงลไปเดี๋ยวรู้สึกเออเดี๋ยวพอเติมได้อีกก็เอาอีกละเอาลงไปอีกโอ้ยไม่ละบางคนน่ะน้ำหนักตั้งเท่าไหร่อ่ะตัวเบอร์เลอร์เบอร์ล่าโอ้ยังกับภูเราภูเขาลาวกาเลยแต่ก็ยังอยากกินอยู่นั่นแหละเพราะ ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะเรื่องพวกนี้พู้เจ้าท่านตรายืนยันไว้เลยนะเรื่องกามเรื่องกินเรื่องนอนอะไรพวกนี้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแม้แต่เรื่องนอนก็ตามบางคนบอกว่าโอ้ยนอนนอนอิ่มแล้วนะนะตื่นมาโดีเดี๋ยวกูจะเอาอีกแล้ววิอกาสก็เอาอีกแล้ว น, นอนมีความสุขแล้วก็คิดว่า เออมันก็สบายได้นอนจริงๆแล้วนอนมากมันไม่สบายหรอกนะมันทุกข์นอนมากมากเนี่ยทุกข์ยิ่งถ้าใครนอนยาวเลยนะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายใครลองนอนยาวๆทีไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายสักเท่าไหร่โอ้โหพอเวลาลุกขึ้นมาทีคุณจะรู้เลยแข้งขามือไม้อะไรนี่อืมันล้าไปหมดเลยคือนอนนานๆสิ จะยิ่งแย่แต่จิตของตัวเองเป็นไงใจของตัวเองโอ้โหบางทีมันอยากนอนอยากนอนอยากพักอยากหยุดแต่มันไม่ใช่หยุดจริงมันเป็นความอยากที่อะไรอ่ะขี้เกียจทางานหรือขี้เกียจอะไรอ่ะไปอะไรทำกิจทำธุระทำอะไรอื่นเขานอนดีกว่าพักดีกว่า อ่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นนะ่ะสามสิ่งนี้พระเจ้ายืนยันไม่นักหนาเลยเพราะเวลาพวกที่มาปฏิบัติธรรมพระเจ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามักจะย้ำานะเรื่องการกินอยู่หลับนอนจะย้ำสามเรื่องนี้เพราะเราก็ต้องมาหันมาลองสารวจตัวตัวเองสิอะไรบ้างที่ทุกวันเนี่ยเราเองเรายังกินไม่อิ่มไม่พอ เอาไล่มาลองดูสิเอาเรื่องกา ร, รเรื่องผู้ชายผู้หญิงหรือทุกวันนี้วิปริตผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายก็ตามแต่แต่มันอยู่ในเรื่องกา ร, รมัมนนี่แหละจะวิจารณนยังไงก็แล้วแต่แต่เนี่ยอยู่ในเรื่องกา ร, รเพราะฉะนั้นดูสิเอ๊จริงๆแล้วมันทุกข์นะมันไม่ได้เป็นสุขเพราะฉะนั้นพอได้อะเราเป็นสุข พอได้กับไม่เดือดเนื้อร้อนใจพอได้กับไม่ต้องโหยหาอะไรเอาวอไม่ต้องไปคิดถึงอะไรมากมายเออมันกับจะตัดพวกนี้ลงได้มันจะเบาลงได้แต่ตอนนี้มันก็ต้องฝึกสิก็ต้องฝึกหยุดเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกห้ามใจตัวเองไม่ได้บังคับใจตัวเองไม่เป็นแล้วคุณจะหยุดได้ยังไงเรามันก็อยากกินอยู่เรื่อยอยากเสพอยู่เรื่อยมันจะเป็นอย่างนั้นตลอด ไม่ต้องอื่นไกลแม้บางทีเนี่ยหยาบหยาบคนที่กินเหล้าคนที่เข้าสูบบุหรี่หรือคนที่เขาติดยาก็ตามติดยานี่มันก็หนักหน่อยนายาบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่พ ว, นนพวกนี้นมันหนักพวกนั้นมีฤทธิ์ยาเนี่ยเข้าไปแทรกซึมด้วยเข้าไปบังคับด้วยยิ่งมีฤทธิ์ยาเข้าไปบังคับโอ้โหคราวนี้สองอย่างเลยใจตัวเองก็อยากด้วยแล้วก็ฤทธิ์ยาเข้าไปเสริมอีก เพนพวกที่ติดยานี่เลยเลิกยากเลิกยากเพราะมมีอุปทานเรื่องยาพวกเนี้ยแมมมันว่ามันสุกมันว่าสบายอย่างนั้นอย่างนี้ก็โดนหลอกอย่างเงี้ยซ้อนเข้าไปสองอย่างสองอย่างซ้อนเข้าไปเรื่อยพนันพวกที่ติดติดยาแล้วนี่เลยเลิกยากมากๆขนาดบางทีเอาไปบาบัดเอาไปรักษาอ้าวพออาการดีขึ้นแล้วคิดว่าเลิกได้เอาเดียวเอาอีกแล้ว ท, ทั้งทั้งที่ร่างกายนะคราวนี้นะไม่มีฤทธิยาแล้วนะเขาไปบำบัดเขารักษาจนฤทธิยาออกหมดแล้วนะแต่จิตมันยังไม่ล้างอุปทานเลยที่เคยติดเคยชอบเคยได้เสพอย่างนั้นอย่างนี้นะมันแบบแหมมันโอ้โหเคลมอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เอาอีกจนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครสองอย่างเนี่ยโหเลิกยากแต่ถ้าเป็นธรรมดาดูนะคราวนี้จะเรื่อง กามเรื่องกินเรื่องนอนซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแหละในวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวช่องเราธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องพบมันก็ต้องเจ อ, อผู้ชายก็ต้องเจอผู้หญิงหรือเจอคนที่เราสนใจเจอคนที่เราชอบอ่านลมันก็จะมีคนเกลียดคนชังอะไรเงี้ยมันก็เจอทั้งนั้นแหละแต่นี่เราพูดในเรื่องของกามมันก็ต้องเจอแต่ฝึก่ยครนี้ ฝึกรู้จักห้ามผิดรู้จักห้ามใจตัวเองว่าเอ้ยชอบมากมากก็เดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์นะอยากไปหานะอยากไปคุยด้วยนะนะอยากเสพยิ่งกว่านั้นนะเดี๋ยวมันทุกข์ตายเลยนะอย่างเงี้ยเออยิ่งไปถึงขั้นโอ้โหมีครอบครัวมีลูกเต้าอะไรนี่โอ้โหแบกหนักขึ้นเรื่อยๆยนะนั่นจริงๆนะมันก็รู้อยู่นะก็เห็นทุกข์เห็นอะไรได้อยู่พอสมควรแต่ ถ้าคนนั้นเนี่ยยังสะสมอุปทานความสุขหรือว่าความอยากอย่างเงี้ยเพิ่มอยู่เรื่อยๆในที่สุดคนนั้นก็ไม่อิ่มในที่สุดก็ต้องไปเสพอย่างนั้นจนได้วันข่าวนี้เรารู้อารมณ์ของเรารู้สภาวะจิตของเราแล้วหัดเลยบางทีต้องฝืนใจต้องบังคับใจนะเรื่องผู้ชายผู้หญิงก็ต้องหัดตัดใจเอ้ยไม่ไปหามัาง้งไม่ต้องไปเห็นบ้างไม่ต้องไปพูดพุยบ้างหัดตัดใจเลยมันเนี่ย ไม่ต้องไปเศษไม่ต้องไปกินหัดงดซะบ้างนะเหมือนกับบางทีเนี่ยคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมถึงได้ฝึกบางครั้งก็ฝึกมัธยัตินะเราเรียกว่ามัธยัตคือฝึกบา ง, บางวันเนี่ยก็ไม่ต้องฉันอาหารอะไรเลยเออบางรูปมีท่านทำถึงขัน้นน้ําท่านยังไม่ดื่มเลยซ้ำไปแต่เอาละไม่ต้องถึงขัน้นน้ําไม่ดื่มะเอาแค่ไม่ต้องฉันของกบเคี้ยวไม่ต้องกิน ไอ่ข้าวอาหารอะไรของกบเคี้ยวขนมข้าวต้ ม, ตมอะไรอื่นแล้วกันส่วนน้ําธรรมดาเอาดื่มได้เนี่ยบางทีก็ฝึกว่าเอออดแล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วอดได้ไหมบางทีไม่ต้องกินบ้างอะได้ไหมน้ำก็ฝึกเนี่ยเพื่อที่จะให้มีจิตมีความเข้มแข็งมีพลังในการที่จะหัดหยุดหัดงดหัดเว้นสิ่งต่างๆ่างอะเนี่ยลงมาได้บ้าง จะเสื้อผ้าจะเข้าของเครื่องใช้ทำไมอะ่ะทำไมต้องมีมากทำไมต้องใช้อย่างนี้อยู่ประจำเลยละ่ะเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างไม่ได้เลยที่ที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปฟุ้งเฟอ้อไม่ต้องไปเสพอะไรมากเกินไปให้มันลดน้อยลงมาอย่างเงี้ยแม้แต่อาหารการกินฝึกลดมือลงมาได้ไหมหรือแม้แต่ที่หลับที่นอนอฝึกให้มันเรียบง่ายได้ไหมไม่ต้องไป มีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยฝึกเพราะถ้าใครฝึกอย่างยี่ได้แล้วคราวนี้แหละคุณสบายมากเลยคราวนี้ถึงจะเป็นสุขจริงๆแท้ๆเป็นความสุขที่ไม่ต้องเพิ่มเป็นความสุขที่ได้ลดมันต่างกันตรงอย่างอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยเออไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังตีนแล้วมันต่างกันอย่างโอ้โหลิบลับเลย เพราะว่าความสุขที่เราได้ลดลงมาเงี้ยกินน้อยมือลงมาได้นะเออใช้เสื้อผ้าน้อยชุดลงมาได้แต่เราก็ยังใช้ได้สบายๆของเราเลยนะเออโอ้โหมีความสุขมากเลยไม่ยุ่งบุญวายแต่ก่อนเลยนะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปมีตู้เก็บเยอะแยะโอ้โหมไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่เหมือนแต่ก่อนโอ้โหดูแลลําบากเหลือเกินเดี๋ยวนี้แหมบ้านหลังเล็กๆก็โอ้โหมีความสุขมากเลยสบาย จะตัดจะกว่าจะเช็ดถูก็ง่ายมันจะเห็นเลยว่าโอ้โหเป็นความสุขที่ไม่ต้องแบกภาระเป็นความสุขที่อิสระเสรีกับกนมากมายนะไม่ต้องมีใครมาล่ามโซ่เราหรือไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีใครมาล่ามโซ่เราโอ้โหอิสระสบายนึกจะไปไหนนึกจะทำอะไรก็อิสระโอ้พอมีคนที่เรารักหรือเราไปลักใครเข้าโอ้โหใจเริ่ม ติดโซ่แล้วใจเริ่มใส่ตรวนให้กับตัวเองแล้วเหมือนกับโซ่ตรวนเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหนึกจะทำอะไรนึกจะอะไรบางทีนอนไม่ได้กินก็ไม่ลงนอนก็ไม่หลับ <c oughs> มันโอ้ยคิดถึงอะไรต่ออะไรมากมายสารพัดใช่ไหมมันทุกภาระแบกภาระมากมายก่า่กองแต่พอเราเข้าใจเนี่ยว่าเออการลดกิเลสกัการลดความอยากเราลงมาได้โอโ้เราเป็นสุขมากขึ้นเยอะเลย สบายขึ้นจมเลยนะจิตใจก็ปลอดโปร่งจะไปไหนจะทําอะไรแม้แต่เงินทองแต่ก่อนคิดต้องมีเยอะๆเดี๋ยวนี้มีน้อยๆก็ได้ยังไม่ต้องเอาถึงไม่มีอ่ะ <c oughs> ยังไม่ถึงถึงการ น, นักบวชอ่ะเอาแค่ค okay, ารวะทั่วไปเนี่ยมีน้อยๆก็ได้สบายซึ่งอัตมาก็เคยเล่าเคยยกตัวอย่างให้ฟังสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกอัตมาสมัยปฏิบัติธรรมเป็นคารวาะอยู่ก็เคยฝึก ยังเคยเล่าให้ฟังเสมอๆ เ, เลยว่าเออพอเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมาเคยฝึกว่าแต่ก่อนเนี้ยเวลาจะไปไหนต้องพกเงินอย่างน้อยในกระเป๋าเงินเนี่ยเป๋าเกงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเงินอย่างขี้หมูขี้หมาไงน่ะนะห้าบาทสิบาทอะไรเนี้ยก็ต้องมีเอาไวอ้อ่ะอตโหจริงๆมันไม่ค่อยจะมีนะห้าบาทสิบาทจนมากมันต้องมากกว่านั้นเออนีพูดน้อยที่สุดแล้วนะเนี่ย แต่ฝึกต่อหลังอ่ยบางครั้งไปไหนเนี่ยบางทีเดินออกไปข้างนอกก็อยู่แถวบ้านนี่ไม่ได้ไปไหนไกลอะไรเลยโอ้โหยังยังรู้สึกกลัวเลยไม่ได้มันต้องพกเงินเผื่อมีอะไรขึ้นมามันต้องใช้เงินก็หัดหัดลองเออไม่ไม่ต้องพกเงินบั้งได้ไหมบางทีเนี่ยก็ไปแถวนี้แค่นี้เองอะ่ะไม่ได้ต้องขึ้นรถอะไรไปไกลไม่ได้ไปซื้อหาข้าวของอะไรที่ไหนเลยบางทีก็แค่เดินไปหาเพื่อนฝูงหรือว่า ไปทำอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดินกลับแค่เนี้ยทีก็ลองหัดไม่ต้องพกเงินไม่ต้องติดเงินอะไรไปเยอะแยะมากมายอะไรฝึกหัดโอ้โหถึงจะรู้เลยนะว่ามันต้องฝึกจริงๆเพราะใจมันไม่ยอมใครไม่ฝึกเนี่ยใจมันไม่ยอมหรอกคุณจะไม่มีทางชนะใจตัวเองได้เลยแต่ถ้าฝึกแล้วคุณจะชนะใจตัวเองจะเริ่มบังคับมันได้ใจมันอยากจะต้องพกเงินไปเยอะ เผื่อไว้สิเอาเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมายังไงก็้องเผื่อไว้เวลาจะกินข้าวของอะไรเผื่อไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอนะเดี๋ยวเกิดใครมาขอไปบ้างอะไรไปบ้างให้คนอื่ไปบ้างอะเดี๋ยวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นต้องเอาเกินเกินไว้คุณจะต้องเผื่อคุณจะต้องเกินคุณจะต้องอะไรพวกนี้ยอยู่เสม อ, อแต่พอเราเราเริ่มฝึกอย่างเงี้ยเราเริ่มเข้าใจเนี่ยนะมันเริ่มรู้จักเอาพอดีพอดี ที่เหมาะสมที่พอตัวของเราแล้วไม่ต้องไปเผื่อไม่ต้องไปเกินอะไรมากกู ค, คิดดูทิถ้าทุกๆคนเนี่ยเผื่อเผื่อเผื่อเผื่อเผื่อไม่พอกินไม่พอใช้ก็หรอกครอบครัวไหนก็ตามแต่ถ้าทุกคนทําเท่าที่พอดีของตัวเองเท่าที่เราพอกินพอใช้รับรองเลยครอบครัวนั้นเ <c oughs> หลือขึ้นมาทันทีนะไม่ไป พุงเฟ้อไม่ไปเสียในสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรเราจะเห็นเลยว่าเออเริ่มมีความสุขมากขึ้นเงินทองก็จะเหลือใช้ขึ้นมาเองเลยโดยอัตโนมัติไม่อยากจะเก็บไม่อยากจะมีเยอะมันก็จะมีขึ้นมาอืมมีเยอะนี่ทุกนะอ่าเดี๋ยวไม่รู้จะเก็บที่ไหนหรือว่าเดี๋ยวก็อาจจะโดนลักตัวไปเรียกขะไถหรืออะไรต่ออะไร เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันจะลดลงมาเสื้อผ้าก็ไม่ต้องสวยมากเพราะสวยมากนี่เดินไปไหนก็ต้องแหมตัวเอียงซ้ายเอียงขวาต้องระวังอยู่เรื่อยเดี๋ยวใครมาทําเลอะมั่งทําสกรปรกมั่งอะไรมั่งโอ้โหทรามานตัวเองจะตายไปใครโดนไหนแตะนิดอะไรก็เดี๋ยวจะเสียหายเดี๋ยวจะอะไรไม่มีความสุขเลยนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ย อาตมาก็สรุปนะว่าถ้าพวกเราเข้าใจฟังแล้วเข้าใจได้เนี่ยเราจะลดละได้มากขึ้นเราจะอยู่ในอริยวงที่พระเจ้าเนี่ยท่านตรัสสอนเอาไว้เราจะอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตนีได้มากขึ้นจริงๆนั้นเอาไปทบทวนในชีวิตประจำวันของตัวเองเลยนะอะไรบ้างเนี่ยอะไรที่เราลดน้อยลงมาได้ลดน้อย คำว่าเราลดน้อยของตัวเราเองลงได้เนี่ยเท่ากับเราจะเสียสละให้คนอื่นได้มากขึ้นใครที่เพิ่มให้กับตัวเองมากเท่าไหร่คนนั้นเนี่ยกาลังเอาจากคนอื่นมามากเท่านั้นทรัพยากรหรืออะไรสิ่งอ่างๆในโลกนี้มันไม่มีไปไหนนี่มันก็แย่งกันใช้อยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นใครลดของตัวเองลงไปได้ในสิ่งที่มันไม่จำเป็นลงไปได้แล้ว เท่ากับคนนั้นได้เสียสละให้คนอื่นคราวนี้บางคนเนี่ยบอกว่าฉันไม่ค่อยมีเงินไปทําบุญฉันไม่ค่อยอะไรต่ออะไรอ่ะเอาคุณไม่ต้องมีเงินทองอะไรมากก็ได้แต่เนี่ย<อ>คุณพยายามมีน้อยๆเล่แหละเนี่ยคุณได้เสียสละคนอื่นแล้วคุณไม่ต้องไปแย่งเขาเออไม่ต้องไปแย่งเงินทองอะไรกับเขาทํางานก็เอาเงินเดือนน้อยๆก็ได้ไม่ต้องไปแย่งกับเขาเพราะเขาจะต้องทํางานเอาเงินเดือนเยอะๆ อา้าคุณไม่แย่งกับเขาเนี่ยก็เท่ากับเขาก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยคุณก็ได้เสียสละให้คนอื่นไปถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วจะเป็นคนที่มักน้อยแล้วมีความสุขแต่ถ้าใครไม่เข้าใจแบบนี้ยังเข้าใจแบบโลกโลกจะไม่มีวันเข้าใจได้เลยแลวจะรู้สึกอยู่แต่ว่ามักน้อยนั่นแหละทุกจะเข้าใจแต่ว่ามักน้อยนั่นแหละทุกเพราะนั้น เมื่อพวกนี้เข้าใจอย่างนี้พวกนี้มีแต่มกักมากอยู่ตลอดการจะไม่มีวันมักน้อยได้เลยกี่ชาติกี่ชาติก็จะมกักมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องไปชิงดีชิงเด่นไปแก่งแย่งกันตลอดชั่วชีวิตไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแต่คนมักน้อยจะสบายขึ้นเรื่อยๆจะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆจะอิสระเสรีในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ มีความสุขที่ไม่ได้ตั้งอยู่กับวัตถุไม่ได้ต้องไปบริโภคที่ยอมแบบคนโลกโล ก, โลกแต่มีความสุขโดยอิสระของตัวเองจริงๆใช้ทรัพยากรในโลกนี้หรือว่าใช้เข้าของเงินทองอะไรต่างๆก็ใช้ได้อย่างมีความสุขน้อยๆ น, นี่แหละมีความสุขได้ยิ่งถ้าถึงขั้นเป็นนักบวชในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วยิ่งสบายเลยบ้านก็ไม่ต้องมี เงินเง่าไม่ต้องมีลูกเมียก็ไม่ต้องมีโอ้คุณรู้ไหมว่ามันสุขขนาดไหนอืมอา้าฝากไว้ตรงเนี้ยนะไปนั่งคิดนอนคิดกันต่ออา้าวันนี้คงพอท่านนี้